<c oughs> ท่านสาธุ 15 มกราคม 2533 เท่าที่บอกวัน ที่เรียกว่าท่านคณะจิตวิทยาสําหรับคณะจิตวิทยานี่ใช้ ถือรวมความว่าวันนี้จะ 5 มกราคม 2533 เดิน อดีตรองเสนาธิการทหารแห่งกองประชาการทหารสูง met de sens, hé, dan taan ik heb We leren het hé, dan leren dan leren het hé, dan we het het dan leren het dan dan het dan dan เรียกว่าร้อนกับถ้าหักว่าสัตว์ที่มีชีวิต <c oughs> เจริญกว่าอียิปต์ไม่เกิน 10 องศาเซนติเกรด หมอมนตรีนี่นามสกุลว่ายังไง ต่อมาก็มีนายแพทย์จรุลปิยะวราภรณ์ผู้สามีของแพทย์จงสนแพทย์หญิงสงแสงสมแสงโสมมาส่วนแสงโสมนี่มันจะๆก็เป็นอันว่าหมอที่รักษาตัวอยู่จริงๆก็คือในแพทย์จรุล ชิริยานนสําหรับภาคเยอะแพทย์จรุลรสแสงโสมนี่เป็นเป็นหมอประจําให้ยาเป็นปกติ สองคนนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมี ก็มีหมอบ้าประจําอยู่แล้วหมอ ก็เป็นแพทย์เป็นคนหมอห้ามหมอดม 20 นาทีแล้วก็ แล้วก็มีหมอโอคําว่าอาจารย์บพผาชาติพงประดิษฐ์เป็นคนขับรถหมอยา เจ้าอาตมาชอบเรื่องว่าผีขนก็เป็นว่ายาอะไรขายก็ตามหมอวัฒนะก็ขนมาหมอคนนี้ก็เอามาให้เจ้าหมอวัฒนะ หลังจากต่อมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2500 33 เกิดฟันมันเป็นหนองที่ราก แต่หมอบอกว่าซิได้ฟันถ้าเกินวิสัยจริงหมอปกติเป็นอย่างนั้นหมอมาทํา 10 เที่ยวแล้วเพลือก็ขับ ผู้พูดนะผู้บันทึกนี่ไม่ผู้เขียนไม่ได้เอาตังค์เลยก็เป็นอันว่า มาสงเคราะห์กันณผู้พูดมากนี้คนฟุ้งนี่น่ะพันพลอากาศตรีอะไรล่ะต้น แล้วก็ต่อมาก็พลตำรวจโทสมศักดิ์แล 10 นาทีเมื่อ 11 มกราคม 2533 ขณะที่หมอ ขณะที่ก็ขุดฝังเค้าโดดหนองก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อ <c oughs> <c oughs> ก็คิดจะมาในใจว่าขึ้นที่ว่าชีวิตมันต้องตายจะตายเวลานี้ก็ตาย <c oughs> <c oughs> คำว่าอุปสมานัสสติกันใหม่ก็นึกถึงพระนิพพานเป็น แต่ตามนักเทศน์ท่านเทศน์ว่าการอยากปรนิพพานถือว่าธรรมฉันทะคือมีความพอใจในธรรมไม่ใช่กิเลสคนฟังแล้วก็เถียงกันเองก็แล้วกันใครจะว่ายังไงก็ช่างดิแต จิตมีอารมณ์เยือกเย็นเห็นท่านผู้มีคุณมากมาย นึกแวบเดียวพ่อเยี่ยมแม่แบบนี้ล่ะก็เลยบอกท่านว่าคนที่อยากจะไปนิพพานเป็นไปไปไปไปไป ถ้าท่านพระอาวถาวจะถ้าท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกก็บอกกับท่านบอก ในเมื่อไปถึงก็มีบ้านอยู่ 3 หลังแปลกๆ คำว่าสงัดก็ได้หมายความว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดเฉพาะนิพพานอย่างเดียวตัดทุกอย่าง ลูกชายคนนี้นิสัยเป็นยังไงแม่ก็แม่เลี้ยงมาก็ย่อมรู้อยู่แล้วท่านแม่ก็เลยบอกว่าแค่นั้น <c oughs> แก่เก่งแก่ตามลักษณะ <c oughs> เธอที่ไปหานายก็บอกว่าถ้าไม่รับผู้หญิงก็ไม่เป็นไรพวกฉันไม่ใช่ผู้หญิงก็ถามว่าเธอเป็นกระเทยหรือเธอก็ตอบว่าฉันไม่ใช่กระเทย ไม่มีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งผู้ชายไม่มีทั้งกระเทยไม่มีทั้งมันเดาะไม่มีทั้งหมดก็เลยถามได้ว่าถ้าเธอไม่เป็นกระเทยอย่างนี้เค้าเรียกกระทุ่ยใช่มั้ยถ้าหา นี่พวกเธอก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะใช้เลยเรื่องเพศก็เรียกเป็นพวกกระทุยก็แล้วกันเธอก็ตอบว่าช่างบ่อยเรียกว่าเห็นพรหมโลกมั้ยมองลงต่ํา มองดูต่ําลงไปก็เห็นสวรรค์หลังจากนั้นเธอถามว่าเห็นจักรวาลต่างๆมีมนุษย์อยู่เต็มมีไม่อยู่ทุกจุดมองลง <c oughs> <c oughs> ร้อยหารกันบ้างใกล้ๆบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพกาชีดูอ่ะจุดเล็กๆจุดหนอดใกล้สุดลงไปมันเป็นจุดที่คนมีชีวิตอยู่ที่นั่นนั่น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 ก็เป็นผิวจักรวาลน่ะสูงสุดมันดวงใหญ่มากเธอก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าโลกมนุษย์มีสภาพเหมือนกับผลส้มมะนาวไอ้เจ้าโลกถุง ก็ถามเพียงว่านั่น กลางมันโบกขึ้นเป็นทางมันเป็นช่องใหญ่มากด้านหน้ามันแกร่ง เขาสายกรรมบถเป็นครบถ้วนพอเธอพูดจบเท่านี้ปรากฏพระท่านมาพระนี่เป็นพระใหญ่มากที่มีความเคารพพระภีท่านมากท่านก็ถามว่าอยากจะไปชมโลกนี้มั้ยก็กราบเรียนกับท่านมากอยากชมเพราะว่าน้องสาวเพิ่งพูดใน สวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีอะไรก็ตามเงียบหมดจุดหมดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่อยากทุกอย่าง ร่างกายก็เต็มไปด้วยทุกขเวทนาท่านบอกว่าก่อนที่มันจะตายรู้สักหน่อยสิจักรวาลทั้งหมดเนี่ยน่าจะรู้ก็ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นโลกทั้งทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้อะไรเลยความจริงเค้าเข้าใจว่าเป็นถงดำและกลืนดวงดาวต่างๆไม่ได้แสงสีเข้าไปก็มองไม่เห็นไอ้นั่นความจริงมันไม่ได้กลืนสภาวะของมันจริงๆเดี๋ยวไปดูกันกันแล้วกันเมื่อท่าน <c oughs> ไปถึงแล้วก็ไปยืนอยู่หลังโลกขอบๆกับริมหมายความว่าห่างจากปากช่องปากทางเข้าข้างล่างจริงไม่เกิน 1 ไปโยชน์ก็พยายามเดินไปเดินมาแม้ขรุขระทุกอย่างโขระขะเป็นโขดโขดสูงๆโขดต่ําๆเพิ่น พอเดินไปได้หน่อยนึงพระท่านบอกว่าคุณถ้าคุณขืนเดินอย่างนี้น่ะอย่าลืมว่าโลกนี้มันโต ไปหาจุดนี้จุดจุดจริงจริงเป็นนิทานตอนนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังธรรมดาๆไม่ใช่นิทานเป็นอารมณ์ <c oughs> <c oughs> หมอโรงพยาบาลบ้ามีอยู่รักษาเค้าต้องอยู่ถึงตั้ง 2 โรงพยาบาล อะไรล่ะผลผลส้มและผลทะเม้อถูกตัดกลางตัดเอาส่วน <c oughs> <c oughs> ตามภคที่เขาเรียกว่าหลุมดําหรือว่าอะไรเนี่ยหลุมดําดําเนี่ยเพราะว่าผศิถ้าทั้ง 2 โลกนี่ครับมีเต็ม มันเฮเครื่องโลกระโบกลางมันมันโลกนี้แต่ว่าเราจะไปกันทีหลังวันนี้คุยกันเรื่องนี้โลกลงนี้ เฉพาะตาเนื้อธรรมดาไม่มีโอกาสจะเห็นขอบ ก็ภาพนั้นเป็นภาพของผีไม่ใช่คนทิ้งคน แล้วภายในนั้นมีอะไรทราบไหมในนั้นปรากฏว่าดวงดาวต่างๆเท่าที่มองเห็นที่มอง ทำให้ในท้องของโลกดําหรือถุงดําเนี่ยดวง สุดสาย ถ้าเข้าไปใกล้ถึงถ้ำนั้นจะทราบว่าภายในถ้ำนั้น แล้วแสงต่างๆก็คลืนหายหมดต่างๆก็ตามมันไม่มีกําลังขัดเครื่องของมันเองมันลอยไปตามมันเข้าไปก็ถามว่าถ้าดวงดาวประดวงนี้ไม่โดดเขาเขาจะเข้า ท่านจะบอกว่าก็ดูเหมือนว่าแม่น้ําที่มีน้ําไหลเชี่ยวแต่ว่ามีถ้ําเจระเข้ลึกคม้าคนายเป็นมาจะไหลเข้าไปในถ้ําก่อนแล้วก็โผล่ออกมาด้านหน้าถ้ํา คน